ระไตรปิฎกเล่มที่ส2บสองจุลาสัจกสูตรเรื่องการโตวาทักับสัจกะนิครนทบุตทุกสิ่งเป็นทุกไม่เที่ยงอนัตตาคำสอนหลักในพุทธศาสนาอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีในสมัยนั้น สัจจกะนิครนเบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นนักโตวาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขากล่าวปราศัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหม์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อโตอตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหวไม่มีเงื่อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโตอตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้ต้นเสานั้นโตอตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสถานหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยครั้นในเวลาเช้า ท่านพระอัสสชิเข้าไปบินทบาทอย่างกรุงเวสาลีสัจจกะนิกรนทบุตรเดินเที่ยวเล่นอยู่ในกรุงเวสาลีได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกลจึงเข้าไปหาได้ถามท่านพระอัสสชิว่าพระสมณโคดมแนะนําพวกสาวกอย่างไรและคําสั่งสอนของพระสมณโคดมที่เป็นไปในพวกสาวกโดยส่วนมากเป็นอย่างไร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 ทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะปลดเปลื้องพระสมณโคดมจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จากนั้นสัจจกะนิครนเถุรเข้าไปหาเจ้าลิชวีซึ่งประชุมอยู่จํานวนมากและกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะสนทนากับพระสมณโคดมถ้าพระสมณโคดมจกยืนยันตามคําที่พระอัศชิยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะชุดกระชากลากพระสมณโคดมไปมาด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับแกะมีขนยาวที่ขนแล้วจุดกระชากลากไปมาฉะนั้นขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันทั้งหมดจึงพากันเดินทางไปลำดับนั้นสัตจะกะนิครนถบุตรพร้อมด้วยเจ้าลิชวีจํานวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวัน ถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทบางพวกประนมมือบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรสัจกักรนิกรณทบุตรครั้นนั่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมแนะนำพวกสาวกอย่างไร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 พืชพันไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพยบูนได้หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ชันใดบุรุษบุคคล น, นี้ก็ชันนั้นเหมือนกันมีรูปเป็นอัตตามีเวทนาเป็นอัตตา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 บุคคลอาจมีชื่อเรียกหลายชื่อดังนั้นจึงไม่ควรติดข้องสงสัยในสิ่งที่ไม่ใช่สาระสําคัญมากเกินไปนะครับในหลายสูตรก็จะใช้เรียกถึงในหัวข้ออย่างหนึ่งแต่บทสนทนาอาจเป็นอีกชื่อหนึ่งในบทสนทนาพระสูตรนี้ก็เช่นกันนะครับพระผู้มีพระภาคทรงเรียกสัจจกะนิครนทบุตรว่าอักขิเวสนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อคเวสนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราใช่หรือไม่เมื่อเขายอมรับว่าเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอคีเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แหละ ท่านเห็นควรอย่างไรท่านควรตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชามาหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสเสนทิโกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบในรเทศคนที่ควรในรเทศ ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ใช่หรือไม่สัจกะนิครทบุตรตอบว่าเป็นดังนั้นพระราชามาหากษัตผู้ได้รับมูรธาพิเศกล้วนั้นต้องมีอำนาจแน่และควรจะมีอำนาจอักคีเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยทำได้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจจกะนิกรนทบุตรไม่ตอบได้แต่นั่งนิ่งตรัสถามเป็นครั้งที่สองก็ยังนิ่งไม่ตอบตามเดิมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสัจจกะนิครนทบุตรว่าอักขเวสณะ บัดนี้ท่านจงตอบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะนิ่งผู้ใดถูกตถากตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุถึงสามครั้งแล้วไม่ตอบสีสักของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นนั่นเองขณะนั้นยักษวชิระปานีหรือคือเท้าสักกะเทวราชถือกระบองเพชรมีปลายลูกโชช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจกะนิครนบุตรแล้วคิดว่า หสัจจกะนิครนธบุตรนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบถาม ถ, ามถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แหละพระผู้มีพระภาคกับสัจจกะนิครนธบุตรเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วัชิระปานีนั้นในทันใดนั้นสัจจกะนิครนธบุตรตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าว สแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งได้กราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิดข้าพระเจ้าจะตอบณบัดนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามคําถามเดิมเป็นครั้งที่สามสัตจกะนิครนธบุตรทูลตอบว่าข้อนี้มิได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ ท่านจุงมนาสิการเถิดครั้นมนาสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันมนาสิการหมายถึงการพิจารณาตรายตรองข้อนี้คือจงคิดให้ดีให้ตีท่วนจนแน่ใจแล้วค่อยตอบท่านจุงมณสิการเถิดครั้นมณนสิการแล้วจึงตอบท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในเวทนานั้นหรือว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยข้อนี้มิได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมานาสิการเถิดรั้นมานาสิการแล้วจึงตอบข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสัญญานั้นหรือว่า สัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนาสิการเถิดครั้นมนาสิการแล้วจึงตอบข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นรู้ว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลย สัจกะตอบว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจุงมนัสิการเถิดครั้นมนัสิการแล้วจึงตอบข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในวิญญาณ น, นั้นหรือว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ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 ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่กวนเลยพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสถามในยะเดียวกันถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่อัตตาของเรา พระผู้มีพระภาคทรงถามต่อว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกลังเกลื่นทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราผู้นั้นกาหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้วจึงอยู่มีบ้างหรือไม่สัจกาตอบว่า การเห็นนั่นเป็นอัตตาของเราจะทำให้ทุกสิ้นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอคกิเวสนะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล้อมกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราใช่หรือไม่ข้อนี้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ คีเวสนะบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้ถือเอาพึงที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่ามีต้นตรงกำลังรุ่นยังไม่ออกปลีเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โขนต้นแล้วตัดยอดริดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพีแล้วจะพบแก่นไม้ได้จากที่ไหน แม้ฉันใดท่านก็ชันนั้นเหมือนกันถูกเราซักไซไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านเดกล่าวราษัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีว่าสมณะหรือพรามผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโต้อตอบวาทกับเราแล้ว จะไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเงื่อหไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้อตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้เสานั้นโต้อตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยอัคคิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงไปยังผ้าหม่ม เราตกลงที่พื้นส่วนยาิเหงื่อในกายของเราในบัดนี้ไม่มีเลยจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเปิดพระวรกายอันมีราชวีดุจทองคำในที่ชุมชนนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกะนิครนทบุตรถึงกับนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าศพเสาหมดปฏิพาน ครั้งนั้นเจ้าเิจวีนามว่าทุมมุขะเห็นดังนั้นจึงขอโอกาสกราบทูลแสดงอุปมาถวายดังนี้ในที่ใกล้บ้านหรือนิคมมีสระบกกรณีอยู่สะหนึ่งในสะนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งพวกเด็กชายหญิงเป็นจํานวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปถึงสระโบกกรณีนั้นแล้วก็ลงไปจับปูขึ้นจากน้ําวางไว้บนบก ปูนั้นสายกล้ามไปทางใดเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยตีทุกกล้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจลงสู่สักโบกกรณีนั้นเหมือนก่อนได้แม้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเสียนน้ำที่เข้าใจผิดและที่กวัดแกว่งบางอย่างของสัจจกะนิกรนทบุตรถูกพระองค์หักโค่นลบล้างเสียแล้ว บัดนี้สัจ ก, กะนิครนเถุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อโต้วาทาอีกฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจ้าฤชวีนามว่าทุมมุขะกล่าวอย่างนี้แล้วสัจ ก, กะนิครนเถุตรจึงพูดว่าเจ้าทุมมุขะท่านหยุดเถอะท่านพูดมากนักข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพเจ้าพูดกับท่านพระโคดมต่างหาก สัจกะนิกรนถบุตรครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กราบทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของท่านพระโคโดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของสัสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอักขิเวสนะ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 ตรัสโดยนัยยะเดียวกันอีกอย่างนี้เห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามเห็นทั้งหมดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละสาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าวกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของศาสดา ถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญโดยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุชื่อว่าเป็นพระอาหารหันตขีนาศอยู่จบโรมจรันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นรรู้โดยชอบอคีเวสณะภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันนั้นทั้งหมดคือเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง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 เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจึงหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตขีนาศพอยู่จบรมอาจารย์แล้วภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แหลประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการคือหนึ่งความเห็นอันยอดเยี่ยมสอง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 ทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อฝึกตนหมายถึงปราศจากกิเลสพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมะเพื่อความสงบหมายถึงสงบระงับกิเลสทั้งปวงได้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงข้ามพ้นแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้ข้ามพ้นหมายถึงข้ามพ้นโอคักสี พระผู้มีพระภาพพระองค์นั้นเบาริญนิพพานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อเบริญนิพพานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัวจจการนิครนทบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคโดมว่า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 พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นสัจกะรนิครนธมบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมนต์ท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงไว้แล้วเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นพวกท่านจะนาอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้า จงเลือกอาหารที่กวรแก่ท่านพระโคดมเถิดครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังอารามของสัจจกะนิครนทบุตรแล้วประทับนั่งบนพุทธอาจที่ปูลาดไว้แล้วจากนั้นสัตจกะนิครนทบุตรได้นำของขบฉันอันประนีตประเกลียนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำด้วยมือตนเอง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 บุญและผลบุญในทานี้อาศัยทักกินายะบุคคลที่ยังเม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจะมีแก่ทายกทั้งหลายบุญและผลบุญในทานี้อาศัยทักกินายะบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจะมีแก่ท่านข้อนี้ คือเจ้าลิชวีบางพวกไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เลื่อมใสในสัจจกะนิครนทบุตรดังนั้นอาหารที่ทายกคือผู้ศรัทธานำมาให้กับสัจจกะนิครนทบุตรผู้ซึ่งยังไม่สิ้นกิเลสมีอานิสง์เท่าใดผลบุญนั้นจะมีแก่ผู้นำมานั้นแต่ทานที่สัจจกะผู้นำอาหารถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้สิ้นกิเลสซึ่งมีอานิสงมากย่อมมีแก่สัจจกะ นิครวนธรบุตรเท่านั้นเพียงผู้เดียวไม่ได้มีแก่เจ้าลิชวีที่นำอาหารมาดังนั้นการทำบุญต้องมีเจตนาในการกระทำด้วยจึงจะได้อานิสงส์สมบูรณ์